ผมได้รู้จักวัดเพราะว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่โรงเรียนได้นำวิธีการปฏิบัติธรรมไปสอนโดยทำสมาธิก่อนเรียน5นาทีแล้วก็สอนให้แผ่เมตตาอาจารย์ท่านนี้ยังเล่าเรื่องการปฏิบัติธรรมที่วัดว่าเป็นระเบียบสงบแม้ว่าจะมีผู้คนมากมายก็ตามแต่มว่าถึงเวลาปฏิบัติธรรมก็จะไม่มีเสียงของผู้คนเลย ได้ยินแต่เสียงพัดลมที่หมุนอยู่ที่สภาหลังคาจากักถ้านำเข็มสอยผ้าเล็มเล็กๆมาโยนลงพื้นยังได้ยินเสียงเลยซึ่งคำบอกเล่าของอาจารย์ทำให้ผมรู้สึกแปลกใจมากจนผมได้มาวัดแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงประมาวัดครั้งแรกประ ม, มาณปีพศ2540้า25สิบโดยคำาชักชวนเพื่อนเพื่อ น, นและกรลยะมิตรนิรุตตุยสมบัติรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยรามคาแหง มาครั้งแ ร, แรกเพราะสนใจจะมาปฏิบัติธรรมการมาวัดครั้งแรกนี้รู้สึกประทับใจมากเพราะว่าเห็นความเป็นระเบียบ เ, เรียบร้อยและห้องน้ำซึ่งสะอาดมากๆแม้ว่าจะเป็นห้องน้ำที่สร้างไปใช้งานเพียงชั่วคราววันมาข้าบูชาปสระสรี่สิบอซึ่งเป็นวันปฏิสถานพระบรมโอปุตติจาบนเจดีพี่นิรุตเป็นอาสาสมัครแผานากต้อนรับระดับโลกได้พาไปรู้จักพี่พ ที่เป็นอาสาสมัครและการช่วยงานของอาสาสมัครรู้สึกประทับใจผู้ พ, พี่เพราะว่าพี่พี่จะคอยสอดแทรกธรรมะให้น้องๆแม้กระทั่งเวลาทานข้าวก็ยังสอนธรรมะให้น้องๆได้ช่วงหลังพี่พีพพแผนกต้อนรับระดับโลกได้เชิญชวนให้มาเข้าเตรียมงานที่วัดในวันเสาร์งานที่มาช่วยแผนกอภรรยแก้วเช่นช่วยซักชุดต้อนรับระดับโลกชุดธงแดงถุงเท้ารองเท้า ประจิชุดต่อรับระดับโลกทําหน้าที่ให้การเบริกคืนชุดต่างๆจัดพัทาหารถว า, ายพระอาจารย์ต่อรับสาธุชนเป็นต้นครับคุณพ่อของผมเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตรังหลังจากเลือดออกในสมองคุณพ่อเป็นคนจีนแต่กําเนิดตั้งหนังสัมภารมาจากเมืองจีนกับคุณย่าตั้งแต่อย่างเด็กสมัยก่อนคุณพ่อเคยทํางานรับจ้างทําขนมเค้กเป็นลูกจ้างห้างขายยาห้าเจดี จนปัจจุบันคุณพ่อมาขายก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงลูกทั้งหมดแดคนจนโต oh. อุปนิสัยคุณพ่อเป็นคนเฉยๆรักเพื่อนพ้องถ้าหามีใครเดือดร้อนแล้วก็จะมาขอความช่วยเหลือคุณพ่อก็จะช่วยเหลือตลอดท่านเป็นคนใจกว้างมากดูได้จากว่าหากมีใครมาขอไปลูกศิษย์ท่านก็นจะสอนจนหลายคนร่ํารวยจากอาชีพเหล่านี้ <Okay. S 1> ตั้งแต่ผมจําความได้จนถึงปัจจุบันผมก็เห็นคุณพ่อคุณแม่ลําบากมาตลอด แล้ยิ่งได้ฟังคาเล่าของคุณแม่ก็ยิ่งทำไม่รู้ว่าท่านลำบากมากมากและก็รู้ว่าคุณพ่อรักลูกๆมากผมมีพี่น้องรวมทั้งหมด8คนคุณแม่พี่คนโตพี่คนรองเคยเลาย้ฟังว่าสมัยที่พี่ทั้งสองอย่างเล็กๆนั้นลำบากมากบางครั้งต้องกินข้าวกับเกลือหรือบางครั้งพี่พอยากจะกินข้าวเหนียวปิ้งราคาแค่หนึ่งสลึงคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีสตางค์จะซื้อเลย ต้องไปขอยืมสตางค์จากคุณย่าหรือไปหยิบยืมสตางค์จากคนอื่นแม้กระทั่งต้องไปขอเชื่อพอค้าแม่ค้าเอาไว้ก่อนก็เคยสาเหตุนี้เองที่ทำให้คุณพ่อมักจะซื้ออาหารมาเหลือเฟือดูเหมือนกินทิ้งกินขว้างแต่จริงๆแล้วคุณพ่ออยากจะให้ลูกๆทานอาหารให้อิ่มไม่ลําบากผมจำำําคําที่คุณพ่อเคยพูดกับผมว่าเวลาที่ท่านกินข้าวอยู่ท่านก็รู้สึกคิดถึงลูกๆทุกคนเป็นห่วงว่าไม่รู้จะได้ทานข้าวหรือ ย, ยัง ทานข้าวอิ่มไหมท่านเป็นคนหัวโบราณแต่ท่านก็ไม่เด็กบังคับลูกๆเพียงแต่คอยสอนและตักเตือนให้ลูกๆอยู่ในระเบียบฟิ้นในท่านมักจะสอนให้ขยันและรู้จักอดออมเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักเอาใจเขาบรนสายใจเราอุปนิสัยที่มีดีเลยก็มีอยู่อย่างหนึ่งคือท่านจะผิดศีลข้อห้าอยู่ประจําประตอนผมเด็กๆจําได้ว่าท่านจะไม่ค่อยดื่มเหล้าสักเท่าไหร่เพิ่งจะมาเดิมเอาจริงเอาจังเป็นประจํา เมื่อ10 2ถึงปีก่อน oh. ผมเคยบอกให้ท่านเลิกดื่มแต่ท่านบอกว่าท่านดื่มจนติดแล้ว oh. หากไม่ได้ดื่มท่านจะนอนไม่หลับเห็นไหมจ๊ะ oh. นี่โทษของสุราก็เห็นชัด oh. ดื่มจนติดเลย oh. ถ้าไม่ได้ดื่ม oh. ก็นอนไม่หลับ oh. แต่ก่อนท่านเสียชีวิตดื่มได้ไม่มากเหมือนเมื่อก่อน ผมพาคุณพ่อไปโรงพยาบาลรักษาการที่เริ่มจะเป็นอมัมพฤกษ์ได้ประมาณสามวันคุณพ่อเสียชีวิตด้วยโรคเลือดออกในสมองที่โรงพยาบาลจังหวัดตรังเขาเกิดเรียนถามคําถามหลวงพ่อดังนี้ครับหนึ่งคุณพ่อแค่มีอาการแข็งขาอ่อนแรงเท่านั้นยังพูดจากระลูกได้ดีอยู่จึงอยากเศร้าทําไมคุณพ่อถึงจากไปเร็วทั้งๆ ท, ที่ดูว่าอาการท่านก็เริ่มจะดีขึ้นสองตอนนี้คุณพ่ออยู่ที่ไหนดอบุพกรรมอะไร ทำไมคุณพ่อถึงอายุสั้นแล้วจะมีวิธีช่วยคุณพ่ออย่างไรดีสมที่บุญที่ผมร่วมทำกระินสร้างวิหารพระมงคลเทพรูนีแล้วที่ส่วนกุศลให้คุณพ่อไม่ทราบพระบุญนี้ส่งผลอย่างไรบ้างครั บ, รบผมควรจะทําบุญใดเพื่อคุณพ่อมีความสุขที่ดียิ่งขึ้นครั บ, รบอะมาว่ากันเลยคุณพ่อมีชีวิตลําบากในเบื้องต้นก็เป็นกรรมจากในอดีตชาติในอดีต ส่งผลมาชาตินี้คือท่านน่ะไม่ได้ทำทานพระวัต น, นันีเรื่องก็มีอยู่ว่าในชาตินั้นท่านเป็นพ่อค้านักธุรกิจธรรมดาได้ทำมาค้าขายอย่างเดียวจนมีฐานะปานกลางท่านมีความคิดว่า เราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครก็เพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ได้ทําทานอะไรแต่ใครมาขอความช่วยเหลือขอคําแนะนําอะไรท่านก็ช่วยกันไปเพราะฉะนั้นบุญที่ไม่ได้ทําทานได้แต่แนะนําทําแต่บุคคลทั่วไปเนี่ยบุญจึงส่งผลช้าและก็ไม่มากจึงลําบากในเบื้องต้นเพราะขาดการทําทาน ที่ถูกหลักวิชาแต่บุญที่ช่วยเหลือคนก็ตามมาช่วยในภายหลังทำให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นมาบ้างเนี่ยความตรรนีกับการไม่ได้ให้ทานและความเข้าใจผิดว่าเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครแค่นี้ก็พอแล้วแค่ทำมาหากินดูแลครอบครัวของเราให้ดีเท่านั้นเองเสียชีวิตด้วยโรคเลือดออกในสมองเป็นเพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันมาผสมกัน กับในอดีตในชาตินั้นไม่อยู่ชาติหนึ่งเกิดเป็นชาวบ้านได้ชนนบทได้ไปซื้อหมูมาแล้วก็มัดขาเอาไว้คือหมูหมูเป็นๆเน็่ยเามัดทั้งสี่ขาเลยเตรียมที่จะฆ่ากินจนหมูเนี่ยอ่อนเปรีย้ยเปรียแรงทำให้กรรมนี้มาทำให้แขนขาของท่า น, นไม่มีแรงขคยับก็ไม่ไหว และในสุดก็ฆ่าหมูกรรมนี้ก็เลยทำให้ท่านอายุไม่ยืน ก, กับกรรมที่ฆ่าปลามาทำเปน็นอาหารแล้ใช้เหล็กแหลมทิ่มไปที่หัวปลาจนเลือดออกเพื่อไม่ให้ปลาดิน้นแล้วก็เก็บเอาไว้ในถังคอยเวลาที่จะนำมาฆ่ากิน<อ>คือปลามันจะได้ไม่ดิ้นอยู่ในถังไง<อ>กรรมปัจจุบันก็ดื่มสุราเป็นอาชินนะกรรม ตายแล้วก็เวียนอยู่ในบ้านเจ็ดวันแล้วเจ้าหน้าที่ก็นำไปโยมโลกเพื่อพิจารณาบุญบาปแล้วก็พิพากษาจริงๆแล้วนะท่านนะต้องไปในมหาน ร, รกนะเพราะดื่มสุราเป็นอจิ น, นกรรมแต่ว่าภายในเจ็ดวันที่ท่านละโลกใหม่ๆได้รับร บ, บุญที่ลูกอุทิศไปให้ จึงไม่ได้ไปมาหานลกแต่ว่าอาินกรรมที่ท่านดื่มสุรานั่นมันขวางทางบุญคือใจท่านใส่ไม่เต็มที่จึงต้องรับกรรมในยมโลกไปก่อน โ, อโดยถูกกรอกน้ำทองแดงได้จะต้องถูกทันทรมานถึง500ปียมโลกแต่บุญที่ลูกอุทิศไปให้เรื่อยๆก็ได้รับ ลถหย่อนก็นลงมาหากทำบุญอย่างต่อเนื่องอย่างถูกหลักวิชาและอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆไม่ช้าท่านก็จะพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้แต่ว่าเวลามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยอายุก็จะไม่ยืนระหว่างมีชีวิตอยู่ก็สติปัญญาก็จะอ่อน <Yeah. S 1> เป็นบ้าเป็นใบ ปัญญาเสื่อมอะไรอย่างนั้นโลกต้องให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาปฏิบัติให้เขาถึงพระธรรม ก, กายและเขาทิฏิตนเป็นอาสาสมัครมาเชิญงานพระศาสนาก็าจะเป็นบุญใหญ่ที่จะช่วยท่านและตัวเราได้ให้มันสั่งสมบุญเป็นนิดแล้วก็อย่าไปดื่มสุราตามท่านนะลุกนะนี่ก็เป็นเคสสัดดีใหญ่ๆสาหรับคืนนี้